การละสังยชนสามจริงๆมีรูปตามนี้นขอบัรดามพุทธบริษัทช์สดทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้ยสิสาก็ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อนีมต่อไปปรการละสังยชนสามเมลโรมเบื้องต้นตามนี้คือหนึ่งจิตมีความสุข เขาคิดว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ตามเราจะไม่ไปอบายภิแต่การนี้สองจิตมีความนักอารมณ์พันผ่านมากต่อนนี้ยังเป็นยังเป็นสัญญชดสามอย่างหยาบต่อมาก็จิตมีความละเอียดจิตมีรมทรงตัวกำมบบตั้งิบอาการคอหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ไม่ไม่รักไม่ขโมยของใครไม่ทำการเมรุสมิชา์ไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วก็จิตใจไม่อยากได้ทรัพสมัิของใครโดยไม่ชอบทำจิตไม่คิดจองล้างจองฐานคือตัดพยาบาท จิตมีความเห็นตรงเฉพาะนิพพานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นอย่างกลางเรียกว่ากสดาบันอย่างกลางถ้าอย่างละเอียดจิตจะมีลมสงบสงัดมากมีลมทรงตัวนิ่มนอนทุกอย่างไม่ต้องระวังต่อไปละสัญญสถานจะเข้าถึงสกิธาคามี พอเข้าถึงเซกิธาค่ะมีความอ่อนตัวเรื่องของความรักะระหว่างเพศอ่อนตัวเร่องความโลภอ่อนตัวของความโกรธอ่อนตัวของความหลงจะมีขึ้น ม, มันมีมั่งแต่มีความอ่อนตัวมากเป็นมีกำลังเล็กน้อยไม่หนักหนาไม่รุนแรงแล้วถ้ในขั้นสุดท้าย ปลายเขาสกิธาคามีจิตจะไม่มีความนู้สิกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความนู้สิกในความโกรธทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ละเอียดมากแต่ว่าบางบางท่านอาจจะมีความนู้สิกว่าเวลานี้เราเป็นตออาอามาคามีอันนี้ไม่ใช่ ต้องสังเกตว่า น, นานๆแม้ลงสงบเรียบร้อยมันจะมีความรักโผล่เขนิดหนึ่งแล้วเมื่อลมพัไม่พอใจโผล่ระมาณนิดหนึ่งแล้วถูกตีกลับไปอย่างนี้เป็นพระอสกิทาคามีละเอียดต่อมาเราก็ต้องศึกษาความเป็นพระอ น, นาคามีพระอนาคามี ก, การศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งช้านไม่ได้เด็ดขาด คำามาชาญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจริงๆต้องการเมื่อะไรต้องได้เหมือนั้นทําไมต้องเป็นนั่งหลับตาทรงชาญการนั่งหลับตาทรงชาญเนี่ยไม่ใช่ของจริงการทรงชาญจริงๆคือไม่มีการหลับตาใช้กําลังใจได้ทันทีทันใดให้กําลองชาญเข้าช่วยระงับเป็นกําลังป้องกัน ใช้มตรดาบฟันนั่นคือวิปัสนาญาณฟันต่อไปคือกรวมะฉันทะมันก็ฟันง่ายแ็จแล้วนี่ความรู้สึกในกรรมะฉันทะมันจะไม่มีอยู่แล้วเมื่อคิดถึงความจริงใช้กำลังพรมิหารสี่คือเมตตาหรือว่าข้าสินสีข้าสินสีแดงที่เขียวทีเหลืองที่ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นพื้นฐาน และหลังจากนั้นก็จับเอาสุกมามะถังขึ้นมาเพราร่างกายของคนแลสัตว์เป็นสุปกปกในที่สุดก็จับส ก, กายส ก, กายยะทิฏฐิส ก, กายยะทิฏฐินี่ตัวนี้ตัวสำคัญมากควคิดว่าร่างกายจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกชาวโลกมันเป็นธาตุสี่ที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเป็นร่างกายขึ้นมา มันเต็ ม, มด้วยความโศ ก, กโผกโศครกความโกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรมิหารศีเขาตักเขาใช้ส ก, กายาตะิฏฐิเขาห้ามมันในที่สุดเขาก็เห็น ว, ว่าร่างกายของคนไม่เป็นที่ปรารถนาควา ม, มโมโหโทสซความโกรธความเป็นมาไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเราไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ทรงตัว จิตจะมีความเยือเกเจ็นมากขึ้นเชื่อความรักนิดหนึ่งในวตัตถุก็ดีในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามคำบรรักและกิเลสไม่มีแต่รักด้วยเมตตามีกำลังสูงมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารโมตตาวิจิตอ่อนโยนไม่จ้าได้เสียไข่เลืยอขาวางเฉยตัวนี้มีกำลังแก่กล้า เมื่อมีกําลังแก่กล้าความรักระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาธามีมันก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอาราหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรหนักการเข้าในเขตความเนตตาเนี้ไม่มีอะไรหนักเพรเป็นการใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วเรียกง่างยๆเดี๋ยวใช้ความเฉลาด การจะเป็นอห้ตัดรูปราคะคือตัดรูปประชานเขาว่าตัดเนี่มันหมายความันหมายความมาโยนทิ้งไม่ใช้ใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นปกติรูปราคาอรูปราคะเราใช้ใช้ทุกวันทุกเวลาจะเป็นชานขั้นไหนกรตทานชานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสาขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจขั้นแปด เราชอบใจชชยขั้นไหนเหมาะกับคำศัพท์กาละสมัยเวลานั่งคุยกันอยู่นี่อย่าน้อยที่สุดให้สงงชันที่สองแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณดูไปด้วยฟังคำพูดของคนดูรูปร่างของคนดูภายนอกไม่พอต้องดูภายในภายนอกก็แก่ทุกวันสุขปรกภายในเขาสุขโปรก ลงความว่ารูปประชานเขาดีรูปประชานเขดีเรายึดไว้เป็นกำลังแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นถ้าหลงในรูปประชานแล้วรูปประชานสองอย่างก็ถือว่าหลงความโง่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นของดีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนนั่นเป็นของไม่อยาก ก็จะถือตัวถือตนเพราะอะไรเนี่ยไม่ร่างกายของเรามันก็เลวมันเป็นธาตุสี่ที่เข้าปรชมกันมีการฐานที่สองเต็มด้วยความสปกปรกโสโครกเราหันไปดูร่างกายที่เป็นทิศร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้ า, ร, า, าร่างกายพรมร่างกายพระอรหันต์พระพุทธเจา้าที่ท่านิพพานแล้วดีก็ร่างกายนี้แล้วก็ต้องดูร่างกายภายในของเรา กายภายนอกมันสกปรกกายภายในเราผ่องใสไหมต้องดูร่างกายภายในให้ผ่องใสคลายพระอริยเจ้าไว้เสมอเสมออย่างนี้เธอปรารถนาหุทธภูมิต้องทำตา ม, ามนี้นะด <c oughs> ูพระอริยเจ้าที่ท่านิพพานไปแล้วึงพระอริยเจ้าที่ตายไปแล้วพระอริยเจ้าเมืองตอยมปโสดาบัน ท่านตายไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านสดสวยสวยงามขนาดไหนรูปร่างกายของเราสวยเหมือนท่านไหมร่างกายภายในเพราะว่าสกิทาคามียนาคามมก็เหมือนกันเมื่อเหมือนท่านไหมถ้าไม่เหมือนท่านอย่างใช้ไม่ได้อย่างเร็วมากต่อไปก็ดูร่างกายพระอรหันต์ ร่างกายอรหันต์ท่านสวยขนาดไหนร่างกายของเราสวยถึงขนาดนั้นได้อย่างร่างกายภายในถ้ายังก็ถือว่ายังเรายังเลวมาก <c oughs> เราไม่เอาร่างกายของเราเข้าไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าเวลานี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้เป็นปกติ ถ้าเมื่อเราจิตเป็นอย่างนี้ความมานะทิฐิการถือเนื้อเธอตัวมันจะมาจากไหนเราคิดว่าเราดีกว่าเขามันมีอะไรดีร่างกายเนา่าร่างกายแก่ร่างกายสกปรกก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่าเราเรวกว่าเขาเราจะเร็วยังไงมันเรวไม่ได้เพราะว่ามันเท่าเขา มนเน่ามันเปิดเหมือนกันถ้าคิดว่าเราเสมอเขามันก็เสมอไม่ได้เพราะร่างกายของคนย่อมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจของคนไม่เท่ากันจิตใจของเขาอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ที่ฉันก็ได้เป็นตเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอรหันก็ได้ต้องดูภายในคือจิตใจแม่ร่างกายภายใน การมณขาตัดอารมณ์ความรู้สึกสามอย่างว่าเราดีกับเขาเราเสมอเขาเราเลวกับเขาถ้า ต, ตัดโจนทิ้งไปเราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวําระ ก, กายภายในให้สะอาดให้สวยที่สุดเท่ากาาับอรันท่นบอกว่าถ้าถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้อารมณ์จะมีแต่ความเป็นสุข เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาไปหมดคนที่เขาแสดงความรักต่เราก็าจงทราบว่าไม่ช้าเขาก็เกลียดเราเพราะมันเป็นของธรรมดาของชาวโลกถ้าใครเขารักในเราเราก็จงอย่าดีใจใครเ็าเกลียดเราเราก็อย่าดีใจเขาทันเสินเราเราก็อย่าดีใจ ครถ้าเราเราก็อย่าสะเทือนใจทำอารมณ์ใจเป็นสุขเขาบอกว่าในเมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องไปคุมอารมณ์ใจอารมณ์ใจมันจะเป็นของมันเองแล้วต่อมาความเป็นทิพย์ของจิตเี่เธอไปเรียนแล้วท่านนงมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับเรียนก็ท่านนงมาแล้วเป็นของดีมากท่านปานก็ดีท่านนงก็ดีเป็นพระดีมากท่านจงอีองหนึ่งนะ <c oughs> ท่านจงนองีงหนึ่งเป็นพระ ด, ดีมากถอดแบบสบับเขาไว้ทั้งหมดนี้มีรมจิตเป็นทิพย์อ่องใสมากถ้าการปรึกษาหารือกับพระโดยเฉพาะอย่างยี่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันต์องค์ไหนก็ตามองมเทวดานางฟ้าก็ได้ที่ท่านมีความดีมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราเราสึกกับท่าน ท่านบอกอะไรเราเชื่อแต่ชันจำาว่าเวดานางฟ้าพระก็ตาม <c oughs> และรูปพระที่เราเองก็ตามเขาจะต้องสอนตามพระไตรปิฎกถ้าสอนผิดจากพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เป็นมารต้องราวงมารให้มากคาว่ามารแปลผู้ฆ่าเขาเข้ามาทำลายความดี <c oughs> มานี่รบกวนไม่ว่าใครไม่แต่องค์ทศเดชประจำใจคือพระพุทธเจา้า <c oughs> มานก็เคยเข้าไปรบกวนอยู่เสมอเสมอเครื่องความวาทุกองค์ที่มาศึกษาที่นี่ความจริงความรู้จริงๆนี่ท่านปานสอนหมดแล้วท่านปานสอนไม่มีอะไรเหลือต่ว่าที่ท่านปานให้กลับมาหาฉันท่านปานต้องต้องการให้ซ้อมจากฉันอีกทีหนึ่ง เพื่อความมั่นใจของเธอท่านปานี่เป็นครูที่มีความฉลาดมากไม่ทนองตนว่าเป็นคนดีและไม่ทนองตนว่าเป็นคนรู้แต่ผู้เดียวแล้วก็เธอเธอก็ภคณะเธอทั้งสามองค์ก็เป็นลกูกศิษยที่มีความสำคัญเพราเชื่อคทุกอย่างครูจะสอนแบบไหนก็เชื่อให้ทำอะไรก็เชื่อให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าในใน ในในในป่าสิวประจันสนุกไหมเขาตอบว่าสนุกครับท่านตอบ ว, ว่าท่านเลยบอกว่าคนที่มาคุยกับเธอทุกคนที่ป่าสิบประจันร์เทวดากำลังฟ้าเท่านั้นใช่ไหมเขาตอบ ว, ว่าใช่ <c oughs> แล้วต่อมาภายหลังบางทีท <c oughs> ออเราเที่ยวเพลินเกินไปกลับมาสว่างเทวดานางฟ้ามาใส่บาตรให้ใช่ไหมท่านกตอบ ว, ว่าใช่ท่านตอบ ว, ว่าลีลานีิจงอย่าทิง้ง ท่านปานสอนดีแล้วแต่ที่ฉันนี่สอนเฉพาะสังโยชนิสิตท่านเนียมสอนทุกอย่างให้รู้จักเทวดารู้จักพระดีทั้งหมดจำเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ดี <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ภายในไม่ชาพวกเธอก็พ้นทุกข์ เัาก็จะรู้อะไรทุกอย่างได้แต่ความรู้ของพระจะรองอัตลอาให้มากถ้าคนเขามาถามดูสีหน้าคนดูใจเขาถ้าถามเพื่อลองใจลองภูมิอย่างนี้ก็ใช้แบบฉันธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันฉันก็ทำตนเองเหมือนคนบ้าเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนบ้าในโลกนี้มีมากคนบ้ามันมาหาฉันฉันก็ต้องบ้าตอบ ถ้าคนดีมาหาฉันฉันก็ดีตอบอย่างพวกเธอเนี่อาจารย์เธอดีแล้วเธอก็ดีตามอาจารย์ท่านก็ดีตอบวิชายอย่างนี้ฉันไม่เคยสอนใครมาก่อนนอกจากท่านนอกจากท่านปานับท่านโน้า่าสอนมา ก, ก่อนแค่พุโทโธธรรมโม ส, สังโฆก็ดีสมเอไป เพราะว่าเขาถือว่าเท่านั้นดีแต่คนที่ต้องการที่สุดเรื่องความดีมีน้อยเหลือเกินหลังจากนี้ไปพวกเธอจงไปพักและรักษากําลังใจให้ดีจงอยู่ที่นี่สิบห้าวันในเวลาสิบห้าวันนี้ถ้าสงสัยอะไรถามฉันได้หรือว่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่สงสัยถ้าเธอมีกําลังใจคิดพลาดไปฉันจะบอกให้ เจอควา ก, กาบท่านก็ออกมาออกมาก็คุยกันว่าเอ๊ะที่องเมื่อกี้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อนิยมีนะ <c oughs> เราเห็นหลวงพ่อเนียมนั่งเฉยๆองนั้นมาคุมแล้วคลุมรูปร่างหลวงพ่อเนียมแล้วก็พูดไพเราะมากผิวเหลืองคล้ายจีวรคนสวยหน้าตาดีมากตาเขาใสทิ้งที่ปากเขแดง เหมือนกับพระพุทธเจา้าที่เราเห็นทั้งสามองค์ก็ตอบว่าเหมือนกันก็เลยคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พบพระซ้อนพัะแล้วเอาไปหาหลวงพ่อนหน่องก็พบพระซ้อนพระเวามาหาหลวงพ่อนเนียมแล้วก็พบพระซ้อนพระแล้ว <c oughs> คนอย่างพวกเราจะมีวาสนาว่าเรามีเป็นพระซ้อนพระแล้วบากล่าก็ไม่ทราบ คุยกันแล้วก็มาที่พักเมื่อมาที่พักก็อาศัยธรรมปีติปีติมันมากความสดชื่อมันมากก็นั่งไข่คนกรรมฐานคุยกันคุยกันเรื่องความเป็นมาก็งธรรมะที่องคก็เนียมสอนทั้งสัญญศิษยแล้วก็กําลังคุยกันก็คุยอยู่ประมาณตีสองเสียงพก็เนียมรอนตะกนมาบอกเออทั้งสามองค์คุยกันถูกแล้วนะ คิดอย่างนี้ถูกวิปัสนาญาณไม่ใช่เฉพาะาไปนั่งคิดคนเดียวต้องคุยกันทำนี้ <c oughs> เวลาที่เราคุยกันเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็มีความสุขเราถ้าว่าเวลานี้มันตีสองแล้วนี่คุณจิตใจมันจะเพลียเกินไปพักขอนใช่ไหมเวลาพักขอนจิตจับอนาปานสติกรรมฐานจับพระองค์ที่เธอเห็น ในความจริงท่านล้องตะกนท่านพูดเสียงดังๆมาจากโกติของท่านนะพระที่องค์ที่องค์ที่ทศกเธอั้งสามองค์เห็นนั้นคือไม่ใช่ฉันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสมกายฉันแล้วก็ใช้เสียงท่านพูดแต่เสียงก็ไม่เหมือนเสียงฉันพวกเราก็ดีใจก็ต้องเชื่ออาจารย์ต่คนต่างรลุกแยกกันไปพราะษี่สถึงมอน เริ่มตะแคงขวาจับปนาปานุสติเขาก็บอกว่าอย่างนั้นถูกแล้วจิตจับเฉพาะเป็นอารมณ์นี่ก็จับเพียงพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระเดี๋ยวเดี๋ยวเขหลับพขหลับเขาตีสี่เขตืน่นตื่นขึ้นมาก็จะเริยนกรรมฐานทั้งกลังนอนพอรู้สึกตัวพับติก็จับปนาปานุสติให้กําลังชาร์นให้เป็นการทรงตัว แต่เฉพาะอย่างยิงเรื่องริไม่ใช่เรื่องของพวกเราเราไม่เดินกันเรื่องอิเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามแต่ว่าตอนเช้าพวกเราก็ไปบินดบาตไปในป่าชาพเพราะว่าเี่เสั่งตามนั้นพอ <c oughs> ทำเป็นปกติพอไปถึงป่าชาแล้วก็เอาต้นไม้เอาบ้าบาบแขวนกับต้นไม้ เย็นหลับตาจับอนาปานสติกับุทานุสติพอเดียวๆก็มีเสียงบอกว่าไม่ต้องเลยเราไม่ต้องหลับตาลอกลืมตาก็ได้ชินกันแล้วนี่นะก็ลืมตาขึ้นมาเห็นภูมิจัดาที่รักษาวัดอยู่ท่านก็บอกว่าเวลานี้เทวดากำลังพาเข้ามาพร้อมแล้วท่านเปิดว่ายเขาเรีาายกใส่บาย ทุกคนท่านเราใส่บาตรแต่ว่าท่านมาในรูปร่างของชาว บ, บ้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าข้าวที่นำ ม, มากินนั่นคือข้าวสีเหลืองไม่มีกลับเป็นของธรรมดาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแล้วว่าฉันข้าวไปแล้วก็มานั่งคิดว่าท่านทุกคนที่ใส่บาตรเราี้เดิมท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเวลานี้ท่านตายจากความเป็นคนไปแล้วเราก็ต้องตายเหมือนกัน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 ต้องเป็นอย่างนั้นอันดับแรกต้องจับความเป็นเทวดาให้ได้ก่อนแล้วเวลานี้เธอกินข้าวของเทวดาเธอต้องเป็นเทวดาได้แน่เพราะเทวดายอมรับอย่าทิ้งความดีนี้เสียถ้าไปการที่สองตั้งใจว่าถ้าหากว่าเลยจะเทวดาเราจะไปเป็นพรมต้องจับกำลังพรมได้โดยการทรงฌานทั้งแปดอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวเวลาก่อนตายไม่ต้องพังแปกชานในเวลาเข้ามันต้องเข้าเรียงลําดับจับเอาจําจุดเที่เราต้องการทันทีทันใดแต่วการใช้ชานเรียงลําดับต้องใช้เป็นปกติเป็นการฝึกเขไวชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องฝึกให้คล่องจนทั้งไม่มีอารณ์ขัดข้อง หลังจากนั้นจับวิปัสสนาญาณคือสัญญ้นยอดสิบเยี่ยไมไปจับทรงเดชมันจะป่นเปื่นไปการจับทรงเดชที่ป่วนเปื่นเป็นของไม่ดีจับให้ทรงตัวหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยใจตามสบายสบายข้าที่ปล่อยใจตามโมติกรดูกับใจเวลาไหนาใจและวผิดจากชั้นยอดสิบบ้าง ถ้าข้าจากสัญญาติสข้อไหนก็ต้องต้องถือว่าเวลานั้นเราเลว <c oughs> จ้องต้องิตรตัวเองว่าเราเลวในสัญญาทั้งสิบประการต้องไม่มีในเราความจริงแล้วมันมีเราต้องทําให้มันไม่มีมันมันจะมีแล้วก็เผลนไม่ให้มันมีมันก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้ไม่ใช่เราก็ชนะ ในที่สุดในเมื่ออยู่ครบถึงสิบห้าวันเธอก็บอกว่าสององค์นี้ตัดสามารถตัดสังโย้าได้แล้วนะแต่ว่าสำหรับเธอคนที่อัตมากำลังก็เทียบเคียงสังโยธาเพราะเราปริฐนาอุทภูมิต่อไปก็เร่งรักสังโยธาให้จิตละเอียดจริงๆ ในเมื่อถึงวันละท้านให้กลับก็ลาท่านกลับกราบด้วยความเคารพถ้ากลับเรียนจะว่ากับผมจะมีโอกาสมาหารลวงพ่อใหม่ขอรับท่านบอกเธอไม่มีโอกาสมาพบฉันอีก <c oughs> เพราะฉันนี่ไม่ชายฉันก็ตายแล้วร่างกายคือขันห้ามมันตายถ้าว่าฉันจะไปอยู่บ้านฉันและท่านก็เชี่ยให้ดู ก็หลังเนี่ยบ้านฉันฉันเตรียมมานานแล้วพวกเธอเคยเห็นบ้านเธอไหมท่านก็บอกว่าไม่เคยสังเกตท่านบอกต้องสังเกตต้องเตรียมเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องเตรียมที่นั่นเวลานี้เธอต้องการอะไรก็บอกท่านอกว่าต้องการนิพพานท่านนั่นนั้นมาถามอัตมาบอกว่าเธอไม่ต้องการพระตภูมเลยเพราะพระตัพพูงก็เอานิพพานก็เอา ถ้ายังไปนิพพานไม่ได้เราไปพุทธภูมิไปพุทธภูมิได้เราก็าก็ไม่อานิพพานเราก็บอกว่าทาไมถึงเป็นคนสใจก็เลยบอกท่านบอกว่าเราข้อปานชวนไวท่านก็เลยบอกว่าท่านท่านปานจะชวนหรือไม่ชวนกว็าตามเธอก็ต้องทำหน้าที่พุทธภูมิไปจนกว่าจะตาย ต่อไปเบื่องหน้าเธอจะมีภาระหนักเรื่องการสอนพระกรรมฐานยำศึกษาให้ละเอียดยามหาแนวาทางสอนให้ง่ายที่สุดเพราะว่ามนุษย์ที่ติดตามเธอมาเกิดมีมากเธอยังเป็นหนี้เขาเ้อถึงอะไรก็ดีบ้านหลังนี้ท่านชี้เลยบ้านหลังนี้ที่มีบ้านสามหลังและมีหอระฆังอยู่ข้างๆมีรั้วเป็นเพชร เป็นสีคล้ายเพชรประดับทองมีสาบโปรกรณีมีต้นมีมีแท่งแก้วและมีต้นไม้แก้วมีบริเวณกว้างเป็นบ้านสามหลังบ้านสาหรับเธอกพรดะในฐานะที่เธอปรารถนาพุทธภูมมา ก, ก่อนแต่ว่าพุทธภูมิของเธอจต้องลาถามว่าจะลาเมื่อไรแต่บอกว่าลายุประมาณสี่สิบปีเศษนิดหน่อย ถามว่าทำไมต้องลาบอกว่าเป็นไปตามสัญญาสัญญาเดิมมีอย่างไงต้องปฏิบัติตามนั้นก่อนที่จะมาเกิดเพราะอะไรเราสัญญากันไว้ตอนที่เธอลาพุทธภูมิเธอจะสังเกตได้ว่ากรรมฐานนั่นจะแพร่หลายมากจะมีคนเจริญกรรมฐ า, านมากถ้าการสอนกรรมฐ า, านของคนบางคนบางทีก็เป็นแค่เห็นภาพเล็กภาพนะ้อยก็บอกว่าสำเร็จแล้วแตนี่มันใช้ไม่ได้ มีก็มีหลายท่านที่สอนถูกแล้วก็มีหลายท่านที่สอนไม่ถูกเรื่อคนของทนค น, คนที่จะมาเรียนกับเธอก็เป็นคนของเธอไม่ใช่คนคนอืน่น <c oughs> เธอก็แนะนําชําระนี่เข้าไปอายุประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าแปดสิบกว่า100กว่าเก้าสิบกว่ากว่าร้กว่ากว่าอีตอนกว่ากว่าเนี่ยสำคัญ มันจะตายทั юсь, ้งกว่าเจ็ดสิบมันก็ยังไม่ตายจะตายแต่ตายกว่าเขาต้องตายเจ็ดสิบกว่าพอถึงแปดสิบมันก็ไม่ตายก็ตายแปดสิบกว่าถ้ากว่าแปดสิบไม่ตายเขาเก้าสิบยังไม่ตายเขาตายเกินเก้าสิบเก้าสิบกว่าไม่ตายก็ถึงร้อยถึงร้อยยังไม่ตายจนตายเั้งกว่าร้อยก็เลยบอกท่านบอกท่าจะไม่ไหวขอเวลาทักงสองปีพอไหม บอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นสัญญาเดิมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอเธอจงอย่าสนใจกับร่างกายมันจะตายเมื่อไรก็ช่างของมันจะเราทําให้ธตรมี่สุทธของกาลังใจก็แล้วกันและบรรดาท่านพุทธบุตรศัทุกท่านพ่าถึงตอนนี้เวลาหมดก็ขอลาท่านก่อนเวลาแล้วลาพ่อเนียวกราบวัดพอดีขอขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี